นาโมตัสสะพะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะพะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะพะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอัจเฉวจิตมาตปัง โกชัญญามารนังตัวนาฮิโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาหั่นด า, ดานิพิขเวอามะนติยามิโวธรรมวยะวยะธรรมมาสร้างฆาราอปปาเดนะสัมปาเดทาตีติ วันนี้เป็นวันลํำลึกถ้าจะว่าวันสลดสังเวชเอ่อว่ากาวสังเวชทนียกถาก็คือเรื่องขององค์หลวงปู่เราที่มันท่านมรณาภาพลงไปได้สี่ปีกว่ า, ว, าวันอีกไม่กี่วันข้างหน้าวันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดธันวา และก็วันที่สิบสี่เป็นวันปรรชุมเพลิงเวลา 16.00 ศนนอเป็นวันที่พระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ของพวกเราเพราะนั้นคณะชาตยญาติโยมทุกหมู่เหล่าที่ได้มาร่วมกันเพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อองค์หลวงปู่เป็นวาระสุดท้ายของท่าน หลวงปู่ท่านไม่ได้มุ่งหวังอะไรพวกเราท่านทั้งหลายถึงจะมีธุระการงานมากยุ่งยากขนาดไหนเราพวกเราก็คิดว่าหลวงปู่ของเราเไปชุมเพลิงหรือเผาเพียงครั้งเดียวเราต้องเสียสละไปล่ำเวลามาเพื่อไปพระราชทานเพลิงศพองหลวงปู่ของเราเมื่อไปชุมเพลิงหรือว่าพระราชทานเพลิงศพจบลงไปแล้ว พวกเราก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลทางด้านจิตใจของพวกเราหลวงปู่ความเป็นมาของหลวงปู่แต่ตามที่จริงหลวงปู่ก็เป็นคนเหมือนพวกเราท่านทัน้งหลายแต่หลวงปู่เป็นคนพิเศษเพราะท่านอะไรจริงพิเศษที่ทำให้ท่านเป็นพิเศษขึ้นมาเพราะท่านสังสมคุณงามความดีหลวงปู่เหลียนวรราโพ นามเดิมของท่านชื่อเหรียญใจขานเกิดเมื่อวันที่8มกราคม2555ท่านเกิดปี2555ณจังหวัดน้องคายบีดาฟองชันท่านสือผามารดาของท่านชื่อพิมพาท่านไดก้กำพร้าแม่ตายตั้งแต่อายุ7ตั้งแต่10ขวบท่านแม่ตายไปแต่อายุ10ขวบ จากนั้นท่านก็ไปอยู่กับย่ากับยายจากนั้นพ่อของท่านก็ได้ไปแต่งงานใหม่ท่านก็ไปอยู่กับยายจากนั้นท่านก็ช่วยการงานในยุค น, นสมัยนั้นทําการทํางานทําไร่ทํานาทํเราะว่าทำสวนเมื่ออายุ20ปีหลวงปู่ท่านก็อยากจะมีครอบครัวเหมือนกับคนทั่ ว, วไปเพราเป็นเป็นหนุ่มแล้วข้าคา่ะ ทีนี้ท่านก็มาคิดว่าเอ๊เราจะบวชหรือว่าเราจะแต่งงานทีนี้ท่านก็มาคิดทบทวนของท่านยาวนานพอสมควรสรุปแล้วก็คือกิเลสภายในใจของท่านทำทำคือธรรมะคือจะออกจากโลกเนี่ยแล้วก็กิเลสคือที่จะดึงถ่วงลงไปหาโลกเนี่ย มันสักขยื้กันเหมือนกันสักขยือกันมันดึงกันเหมือนกันที่ท่านก็มาคิดเราจะทางไปทางโลกหรือเราจะไปทางธรรมท่านก็คิดตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันแต่วันหนึ่งท่านก็มาคิดถึงเออคนเราเนี่เกิดมาแล้วก็ผลที่สุดก็ไม่มีอะไรที่เป็นสาระแก่นสารเกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วจะเหยียบเทียมเพระกวาตายแล้วก็คืออะไรคือสาระ เพราะนั้นเราจะอยู่ไปทําไมเพราะว่าการอยู่เป็นครวาตเราจะต้องทําการทํางานทำรัำ้วทาสวนปีนี้ทําแล้วปีหน้าก็ทําอีกแล้วก็ทําไปเรื่อยๆตายเมื่อไหร่เมื่อนั้นคือจุดในการทํางานทําการแล้วก็เราเมื่อแต่งงานไปแล้วเราก็จะต้องเลี้ยงครอบครัวเมื่อต้องมีลูกมีหลานขึ้นมาเลย อ, อันนี้แหละคือหลวงปู่ท่านคิด ไกท่านคิดทบทวนสรุปแล้วก็ท่านคงจะมีบุญวาดสนาหลวงพ่อว่านะแต่พบก่อนชาติก่อนหลวงปู่คงจะเคยเป็นนักพดนักบวชมาก่อนท่านจึงคิดได้อย่างนี้จากนั้นท่านก็ว่าโ อ, อ, อ้เราจะหาความสุขที่แท้จริงแล้วหาอย่างไรความสุขที่แท้จริงของมนุษย์นั่นคืออะไรสาระแกนสารของชีวิตนั่นคืออะไร ท่านถามตัวเองก็ให้คําตอบตนเองไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านว่าบวชเพื่อหาคําตอบความสุขที่แท้จริงแหล่งสาระแกนสารของชีวิตคืออะไรจากการท่านจริงได้บวชที่วัดบ้านาบ้านหม้อตำบลบ้านหม้ออาอเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายของเราเนี่ยนี่แหละใกล้ๆ น, ะนี่ที่หมู่บ้านที่บิณฑบาตของท่าน จากนั้นพ่อบัวดได้พรรษาหนึ่งท่านก็ไปเรียนหนังสือที่จังหวัดน้องชายวัดศีสุมังจังหวัดน้องขาดพอไปเรียนหนังสือท่านก็ไม่ได้ลดละในภาคปฏิบัติของท่านท่านเห็นครูบาอาจารย์เอ็งไหนมาท่านก็เรียนถามว่าการภาวนานทําอย่างไรการปฏิบัตินี่ทําอย่างไรท่านเลยศึกษาใฝ่ในการศึกษา พอออกพรรษาแล้วท่านก็กลับมาบ้านท่านก็มาคิดว่าจะสึกแล้ไม่สึกอีกเหมือนกันนะเนี่ยคราวนี้ถึงจะคิดในครั้งก่อนก็เถอะนะแต่มาคราวนี้มันตีกลับอีกเหมือนกันเถะพอตีกลับคือมาคราวนี้สักกะยืออย่างแรงแบบนี้กิเลสกับธรรมในใจิตในใจของท่านไม่รู้จะเอาทางโลกหรือไม่รู้จะเอาทางธรรมสับสนกันไปหมดในขณะนั้นท่านว่ า, ามีทางเดียว ทองผ้าเสเวียงมาอย่างหลวพ่อครองเดี๋ยวนี้แหละผ้าผ้าสังคติบนบ่าจากนั้นก็ไหว้พระพอไหว้พระเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาเถิพอนั่งภาวนาทั้งว่าต้องหาทางออกให้ได้ในวันนี้ถ้าว่าไม่มีทางออกจะไม่ลุกจากที่นั่งเด็ดขาด น, ะนั่นแหะท่านความเด็ดขาดของท่านมีนยะเราจะอยู่หรือเราจะสึกเราจะสึกหรือเราจะอยู่ไม่ควรจะทาแบบขยัขยัขยัดขยับอย่างนี้ เ่มันไม่มีที่สุดไม่มีที่ซิ่งจุดลงได้ผลที่สุดท่านก็ได้ตัดสินใจได้เด็ดขาดว่าเราควรจะอยู่ในพุทธศาสนาเนีท่านคงจะมีบุญเก่าอย่างที่ว่าอีกเหมือนกันเข้ามาเกื้อกูลหนุนท่านจากนั้นท่านก็ได้บวชออกมากรรมฐานมาอยู่ที่ผาสันติดน้ำโขงเนี่ยเป็นอันดับแรกมาด้วยกันสององค์จากนั้นก็ได้มาพบหลวงปูป่กนะู หลวงปู่กูลบปู่กวนเป็นเพื่อนหลวงปู่ฟัน่นเป็นคนชาวจังหวัดจข น, นครอำเภอพันนานิคมหลวงปู่กูเนี่ยเป็นท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็ได้มาศึกษาได้ถามไทยในแนวทางปฏิบัติเพราะหลวงปู่กูเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มัน่นท่านก็ได้มาศึกษากับหลวงปู่กูหลวงปู่กูก็ให้คาแนะนําก็เป็นที่เป็นที่เข้าใจจากนั้นหลวงปูก่กูท่านก็มาเที่ยวทุดง ช, งชั่วครั้งชั่วคราวชั่วขณะ จากนั้นท่านก็ได้เดินทางผ่านไปจากนั้นท่านก็ได้เข้าไปกราบหลวงปูบ่บุญมาบุญมาวัดเสิ็จสารวันบ้านโนนทันนั่นแหละท่านก็มาอยู่ที่อำเภอท่าบ่อนวัดอรัญญาวาสีจากนั้นหลวงปู่เหลียนก็เข้าไปกราบท่านท่านก็ได้นำไปบวชที่วัดโพทที่สมพรท่านเป็นมหานิกายท่านบวชได้พรนษาหนึ่ง แต่ท่านกระยัตยัติเป็นธรรมยุทธ์พอได้ศึกษาในภาคปฏิบัติกับหลวงปูก่กูจากนั้นหลวงปู่วุญมาก็ได้นําท่านไปบวชที่วัดโพ ท, ที่สมพรกับท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเนื่อเมื่อบวชแล้วท่านเจ้าคุณธรรมเจดีก็ได้ถามท่านว่าเออเหลียนเมื่อท่านบวชแล้วท่านจะเรียนหนังสือหรือท่านจะปฏิบัติหลวงปู่เหลียนก็ได้ให้คําำตอบพระอุปชาว่า กระผมจะเอาทั้งสองอย่างครับผมแต่ส่วนปริญญานั้นกระผมจะขออ่านตารับตาราเองแล้วก็จะปฏิบัติครับผมท่านก็ยินดีนะท่านเจ้าคุณธรรมเจดีท่านก็เป็นนักปฏิบัติอยู่แล้วท่านก็เออเอาดีจากนั้นท่านก็ได้กลับมาหาที่บ้านท่านอันดับพันษานั้นพันษาแรกธรรมยุธ์ของท่านท่านก็ไปจำบรรษาที่บ้านขอนาลาย อำเภอบ้านถือใกล้ๆกับวัดหลวงปู่เพียนเดี๋ยวนี้แหละบ้านคอมีสองขอนะบ้านค้อคือน้ําคือบ้านคอของหลวงปู่ทูลนะอันนี้บ้านขอนาลายหลวงปู่มั่นเคยอยู่ในถิ่นนั้นวัดหลวงปู่มั่นเคยมาจำพรรษาในถิ่นนั้นบ้านขอนาลายหลวงปู่เหลียญก็ได้ไปจำพรรษาที่นั่นพรรษาหนึ่งเมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็เลยมาอยู่ที่วัดรัญญาวาสีท่าบ่อจากนั้นท่านก็ได้ เที่ยวอยู่แถบนี้แต่ตาเมื่อจริงท่านคงจะคิดเหมือนกันนะว่าถ้าว่าเราเป็นผ้านมเราจะอยู่ในถิ่นนี้มากๆก็คงจะไม่ไปไม่รอดท่านจึงคิดจะขึ้นไปกราบหลวงปู่มั่นแต่ท่านก็เห็นได้นิมิดในความฝันของท่าน ค, คือท่านไฟสูงอยู่แล้วท่านยังไงจะทำยังไงจึงจะปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมสมาธิยังไง สมัยนั้นก็ได้ยินว่าหลวงปู่มั่นท่านอยู่จังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่เหลียนท่านก็หาวิธีขึ้นไปท่านก็เนี่ยขึ้นล่องน้ำโขงขึ้นไปทางเวียงแกนขึ้นไปทางหลวงพระบางจากนั้นก็ได้เข้าไปทางจังหวัดเชียงรายจากนั้นเข้าเราไปกราบอยู่ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านก็แสดงธรรมให้หลวงปู่เหลียนฟัง และต่อได้ยึดแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นจากนั้นท่านก็ได้อยู่ทางจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา16ปีนะอยู่นานพอสมควรจากนั้นท่านก็ได้ลงมาลงปู่มั่นก ล, กลับมาทางน้องผือนาไนห้มาจำภาษาบันน้องผือจากนั้นลูกศิษย์ในถิ่นที่ขึ้นไปกราบหลวงปู่มัน่นก็ได้กลับลงมาทางภาคอีสานอีก จากนั้นหลวงปู่เหลียนท่านก่อนได้ล่องเรือมาตามลําน้ําโขงก็มาขึ้นที่เวียงจันท์จากนั้นท่านก็มาที่วัดอรั ญ, ญวาสีอี ก, กมาเจอกหลวงปู่เทศเทศรังสีที่เป็นครูบาอาจารย์ของท่าน อ, อีกองหนึง่งของปู่เทศกัเป็นคนบ้านนาศีดาเองไม่ไกลแต่ท่านก็มาอยู่ที่วัดอรณอรั ญ, ญวาสีท่าบอกจากนั้นหลวงปู่เหลียนเข้าไปท่านก็เลยชักชวนหลวงปู่เหลียญ ลงไปทางภูเก็ตพังงากระบี่ไปลงปู่เทศท่านก็ไปสร้างวัดหลังสารจังหวัดภูเก็ตนี่แหละจากนั้นท่านก็ได้ลงไปทูบายอาจารในยุคนั้นลงไปมากหลวงปู่คาพองหลวงปู่ล่าหลวงปู่วันหลวงปู่จวนหลวงปู่วันหลวงปู่สามหลวงปู่มหาปินหลายหลวงปู่ที่มีที่ลงไปภูเก็ตพังงาในยุคสมัยนั้น ท่านก็ไปประกาศเผยแพร่ให้แก่พี่น้องชาวภูกเก็ตพังงากระบี่ก็เป็นที่รู้จักพระกรรมฐานมากระทั่งผูกวันนี้ที่หลวงพ่อพูดอยู่ในขณะนี้ล่าคิดว่าพี่น้องชาวภาคใต้เรคิดว่าคงจะได้ยินที่หลวงพ่อพูดใคงจะไม่ไม่เกิดเลยเหมือนกนแต่พอหลวงพ่อได้ไปภูกเก็ตพังงาแล้วพวกคณะสัตย า, า, า ญ, ญาติโยมลูกหลานเขายังนับถือเลื่อมใส ในปฏิปทาของครูบาอาจารย์โลวงปู่หลวงปู่ของเราเนี่ยวงปู่เหลียนของเราเนี่ยท่านก็ได้ไปสร้างวัดที่จังหวัดพังงาเหมือนกันพี่นันอันนี้แหะคือประวัติความเป็นมาของหลวงปู่สรุปแล้วคือหลวงปู่นี่เป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาไม่ได้นิ่งดูรายไม่ได้อยู่เฉยๆขณดองค์ได้ยินองค์หลวงปู่มั่นอยู่ที่ทจังหวัดเชียงใหม่ท่านท่านจังด้นดัน่น เดินป่าป่าโดงเข้าไปในยุคสมัยนั้นไม่ใช่ธรรมดาไม่รู้ว่าสัตว์ไม่รู้ว่าอะไรไข้ามาลาเรียเป็นตัวร้ายกาจที่สังหารพระธุรองกรรมฐานในยุคสมัยนั้นครูบาอาจารย์บางองค์ที่รอดมาได้ก็รู้สึกว่า เ, เป็นผู้มีบุญมากโดยมากก็เสียศูนไปก็มีบางองค์ก็มราณาภาพไปก็มาก่อมากเหมือนกันในยุคสมัยนั้นเพราะหยุกยามันไม่ทันสมัย จากนั้นท่านก็ท่านนำพ่อของท่านคือโยมพ่อของท่านบวชใช่ไหคือโยมพ่อผานะบวชพ่อบวชมาแล้วตาของท่านไม่ค่อยดีใช่ไหมท่านก็อยากจะกลับมาบ้านลวงปู่เลี้ยนก็ไม่อยากจะให้กลับมาท่านไปอยู่ด้วยกันทัานปูเกศผลที่สุดพ่อก็ขออ้อนอก็กลับมาท่านลุงปู่ท่านก็เลยมานี่แหละสาเหต แห่งวัดอรัญญบันพศของเรานะถน่าจะว่าไปแล้วก็คื อ, อโยมพ่อของท่านนะหลวงพ่อของท่านนะ เ, เป็นผู้มานานาหลวงปู่เลียนมาแต่นี้เมื่อพ่ออยากจะมาท่ทานก็เป็นผู้มีความกตัอยู่กตเวที่ตาอยู่แล้วและลึกถึงพระคุณของพ่ออยู่แล้วถ้าพ่อไปแล้วถ้าว่าท่านไม่ได้มาดูแลไม่มาปฏิบัติแล้จะให้ใครเป็นผู้ปฏิบัติพ่อของท่าน ท่านก็เลยได้ตามขึ้นมานี่มาสร้างวัดผาซันนีที่ฝั่งโค้งนั่นแหละก็มาสร้างวัดอรั ญ, ญบันพฤที่ฝ่าถนนขึ้นมานี่ยอย่างพวกเราที่พวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่เดียเ๋ยวนี้อันนี้คือวัดอรั ญ, ญบันพฤเมื่อสร้างเสร็จแล้วหลวงปู่หลวงพ่อของท่านก็ได้มรณภาพเมื่อพรรษา17บเทาหลวงพ่อจะไม่ผิดนะพรรษา17อายุ93ปี จากนั้นหลวงปู่ท่านก็อายุมากเลยท่านนี่หลวงปู่เหลียนของเราท่านก็เลยอยู่ต่อมาเมื่อท่านหงพ่อท่านบรรณภาพแล้วท่านก็อยู่เป็นวัดวาศาสน า, าขึ้นมานี่แหละจากนั้นถึงท่านจะลงไปกรุงเทพไปแสดงธรรมในพรรษาท่านก็ยังขึ้นมาจำพรรษาที่วัดของท่านไม่เคยขาดยังขึ้นมารักษาราตีทุกเจ็ดวัน เมื่อท่านลงไปอยู่กรุงเทพไปอยู่นัตถสถานที่ใดพอถึงวันที่เจ็ดท่านก็กลับขึ้นมารักษาราตีของท่านคือท่านอธิษฐานภาษาที่วัดอรัญญบรรพตแห่งนี้จากนั้นท่านก็ได้มรณาภาพเมื่ออายุของท่านได้93้าสิบาปีเท่าๆกับหลวงพ่อของท่านนะหลวงพ่อของท่านก็อายุเก้าสิบาปีหลวงปู่เหลียนของเราก็เมื่อมรณาภาพอายุ9กสปีเหมือนกัน นี่แหละหลวงปู่ของเราท่านก็ว่าไปแล้วท่านมีคุณงามความดีเป็นตัวอย่างให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาท่านฝากไว้แต่คุณงามความดีให้พวกลูกหลานได้ฟังแล้วก็ให้พวกเรานำเป็นตัวอย่างนำเป็นให้เป็นตัวอย่างของลูกของหลานพระธรรมคาสั่งสอนของหลวงปู่มากมายในซีดีหรือในเทป มีมากและในหนังสือก็เป็นธรรมะที่น่าศึกษาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคณะสัตย า, ญญาติโร ม, มวันแจกวันพระราชทานเพลิงศพนักคงจะมีหนังสือหลวงปู่แจกมากเหมือนกันฟังฟังดูแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะเมื่อได้หนังสือไปแล้วก็นําไปอ่านไปศึกษาประวัติของหลวงปู่เป็นอย่างไร เ, เป็นอย่างที่หลวงพ่ออินอธิบายให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังไหม หลวงพ่อได้อ่านได้ศึกษาแล้วเป็นปฏิปทาที่น่าเคารพนับถืออย่างมากเป็นพระมหาเถรระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแต่ว่าหลวงปู่ของเราท่านมรณาภาพหลายปีไม่ได้พระราชทานเพลิงอันนี้ก็คงมีข้าพเราจะทายญาติโยมเออทำไมเก็บไว้นานอันนี้ก็ มันคงจะเป็นบุญวาทสนามบารมีของหลวงปู่หลวงปู่ได้สั่งสมมาดี เ, าเมื่อท่านจะประชุมเพลิงก็ได้รับพระราชทานเพลิง อ, อีกไม่กี่วันข้างหน้า เ, เ, าเราจะได้เห็นว่ารังการขนาดไหนที่จะถึงในวันข้างหน้านี้แต่ตามไม่กิงการประชุมเพลิงหลวงพ่ออดคิดไม่ได้เหมือนกันว่าในครั้งพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าประสิทธิพานธ์เจวัน มันรักษาดพอพอพระพุทธเจ้าสวรรค์ปรินิพนานวันแรกพอวันรุ่งขึ้นมันษัตริย์เขาก็จะประชุมเพลิงแล้วแต่เทวดาไม่ให้ประชุมเพราะว่าพระมหากัตริยเดินทางมายังไม่ถึงเมื่อพระมหากัตริยเดินทางเจ็ดวันมาถึงแล้วอพอมากราบพระพุทธเจ้ากราบพระศพพระพุทธเจ้าแล้วเทวดาประชุมเพลิงเองเล็วนั้น ไฟลุกเองโดยอัตโนมัติกระสัไม่ได้ประชุมเพลิงเลยอันนี้ก็คือพระศีรษะของร ะ, ระตัตริยจ้าส่วนพระอานนท์ท่านเขาว่าแตก เ, เพ่งเตโซขึ้นไปในบขึ้นวายโยขึ้นบนอากาศร่างกายของท่านแตกเป็นสองภาคคือแม่น้ำ อ, อ, อยู่คนละแม่น้ำกันกรุงกบิลพัสด์กับกรุงวิเทหค่ะ อย่างพระภาษาราบุตรท่านก็ปรินิพานในห้องประสูติไปห้องเกิดของของท่านพระโมคคลากระดโดนโดนทุบโจนทุกข่าพระโมคคลาแต่พระมหากะัะเจป่าพวกเราเคยได้ยินไหมว่าพระมหากะัะเจป่าไปชุมเพลิงที่ไหนพระราชทานเพลิงประชุมเพลิงที่ไหนไม่ได้ยินไม่มีในพระไตรปิฎกแต่ว่าท่านบอกว่าพระมหากะัะเจป่า พอท่านจะเมื่อท่านปรินินพานท่านเข้าไปปริเนพานอยู่ในภูเขาสามยอดภูเขาสามยอดนั่นแหละเป็นที่บรรจุหีบศพของพระมหากัจจป่พาพออย่านั้นพวกเราเห็นภูเขาเรียนกันสมยอดพวกเราก็ยกมือไหว้อยยอดกลางคงจะเป็นพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้ากัจจปา่ามั้งเพราะว่าพระพุทธเจ้ากัจจป่้พระมหากัจจป่เนี่ย ท่านปรินิพานแล้วท่านอยู่ในภูเขาสามยอดอยู่เดียวนี้ยังไม่ได้เผายังไม่ได้ไปชุมเพิงทำใหม่ในหลักในพระไตรปิฎกนะพวกคณะทธาญาตยโยมก็คงจะไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้ศึกษาในเรื่องนี้หลวงพ่อจะขอเล่าเล่าให้ฟังมาในพระไตรปิฎกนะในเรื่องนี้มาในพระไตรปิฎกไม่ใช่เป็นนิทานพูดต่อๆกันมาเป็นมาในพระไตรปิฎกคือพระมหากัตนปะ ทำไมท่านจึงไม่ได้ไปชุมเพลิงเมื่อท่านปรินิพานแล้วทำไมท่านจึงไปปรินิพานและก็อยู่ในภูเขาสามยอดนั้นตามตาราท่านบอกว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราเป็นกษัตริย์พระพุทธเราพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์แต่พระเจ้าพระศรีอริยะเมตไตรเป็นนายหัดถีคือฝึกหัดช้าง ถ้ามหากัะสปาเนี่เป็นช้างเป็นช้างใหญ่รูปล่างชวดทรงสมควรที่จะเป็นช้างของพราชาเขาก็กัดคัดสรรขึ้นมาสมัยก่อนนั่คือเรื่องช้างเรื่องม้าเป็นของพราชาถ้าพลาชาต้องการเร็วก็ต้องขี่ม้าถ้าวัดต้องการไปรบราข่าศึกก็ต้องขี่ช้างกระจายอย่างนั้นขี่ช้างรอบเมืองเห็นไห แต่นี้เท่าก่อเห็นช้างตัวนี้เป็นช้างที่ถูกลักษณะทุกอย่างแต่นี่นายหัดถีเนี่ยเออนายหัดถีฝึกหัดช้างก็ฝึกหัดช้างได้ทุกอย่างช้างตัวนี้ก็เป็นช้างที่แสนรู้อีกทีฝึกหัดอะไรได้หมดทุกอย่างบอกอะไรได้ทุกอย่างทีนี้ก็มากราบถูพลพระรายชาบอกว่าข้าพระองค์ได้ฝึกแล้วช้างตัวนี้เป็นช้างที่เชื่องอบอกได้ทุกอย่างพระเจ้าข่า สมควรที่จะเป็นช้างทรงของพระราชาทีนี้พระราชาก็เอเอเอาพิเศษด้วยรับขึ้นมาให้เป็นช้างของพระราชาเป็นช้างทรงของพระราชาจากนั้นพระราชาก็ขึ้นช้างใหม่ทีนี้วันนั้นพอจะเด็ดรอบเมืองขึ้นช้างตัวใหม่พอช้างตัวนั้นอ่ะพอขี่ขี่ไปมันลืมว่าพระราชาอยู่บนหลังค อ, อของเขานาีช้างตัวนั้นมันลืมเหมือนกัน มันไปเห็นช้างตัวเมียไนงะพอไปเห็นช้างตัวเมียมันก็สลัดวิ่งก็ไปหาช้างตัวเมียมันลืมมันนะลืมภ ร, ราชาอยู่บนคอภ ร, ราชาเกือบตกทีนี่เนีเกือบตกช้างเนีเพราะฉะนั้นภ ร, ราชาก็ฆ่าโทษนายหัดถีได้เลยโอ้ทํางนี้มันฆ่ากันชัดๆนี่วะเอาช้างดุร้ายอะไรทำไมรู้เนะีไม่เราขี่บอกว่าช้างฝึกหัดดีแล้วฝึกหัดดีแล้วทําไมจึงเอาช้างอย่างนี้มาให้เราขึ้นไปนั่ง ทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเลยนะจากนั้นนายขัดถีเนี่ยก็บอกว่าช้างฝึกขัดดีแล้วไปเจ้าขาแต่ทําไมมันเป็นอย่างนั้นไม่รู้มันอาจจะเลืมไม่ได้ช้างพระธราชาก็กว่าคาดโทษนะทานายหัดถีก็บอกว่ากระผมจะทดลองให้ดูว่าช้างตัว น, นี้เป็นฝั่งฝึกขัดมาอย่างดีแต่ทําไมในคราวนี้ทําไมเป็นอย่างนี้ จากนั้นนายหัตถีก็เลยให้คนเผาเหล็กแดงนะเผาเหล็กแดงท่อนใหญ่ท่อนหนึ่งเหมือนันนะเผาเหล็กแดงพอเสร็จแล้วก็เคี่ยเหล็กแดงออกมาจากกองไฟพอเคี่ยวออกมาจากกองไฟนายหัตถีก็บอกช้างต้องกอดจับเหล็กแดงเดี๋ยวนี้ครัช้างมันก็รว่เหล็กแดงแต่มันมีมันมันร้อนพอกอดปุ๊บมันก็กอดเลยกอดกอดเหล็กแดงแต น, น พอกอดแดงไฟก็ไหม้ยาว่างยาว่างผลลิตสุดไฟมันก็เลยไหม้จวดจวดจวดเหมือนนี่ไหม้ว ง, งวงช้างนะช้างตอนนั้นก็เลยไฟไหม้มันก็เลยต า, ตายตายตายในขณะต่อหน้าพระราชาเพราะว่าพิสูจน์โดยช้างถึงสอนได้จริงๆไม่ใช่ว่าข้าพระองค์ทําแบบจะให้พระราชาไปขึ้นทดลองช้างที่ไม่ได้ฝึกขัด พระราชาก็เออเอามันจริงว่ะช้างตัว น, นั้นก็เลยตายคําว่าช้างตัว น, นั้นตายข่าวนั้นแหละที่านเองแต่ช้างตัว น, นั้นก็คงจะไม่ได้ผูกอาคาตพยาบาทอะไรแต่ว่าบาปกลั่มมันมีทิ้งเพราะฉะนั้นท่านว่าพระศรีอริยะเมตไตรเมื่อท่านได้ตัดจรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านจะได้เหยีบศพของพระมหากรัตน์ จะลอยมาแล้วจะมาตกฝ่ามือด้านขวาของพระเจ้าพระพุทธเจ้าสีอระยะเม ต, ตัยแล้วไฟจะไหม้อยู่ในฝ่ามือเ อ, อฝ่ามือของพระสีพระสีอ่า น, า น, นเหมือนกันน่ะเออแล้วจนพระ พ, พ, พระหากัจจปาลจะไฟไหม้อยู่ในฝ่ามือของพระสีอ่านเพราะพระสีอ่านจะมือมือด่ า, าเหมือนกันน่ะอเพราะไฟไหม้นี่แหละคือ ที่พระไตรปิฎกท่านพูดไว้อย่างนั้นนะอนนั้นพวกเราไปฟังได้ศึกษาก็ไม่ได้ยินจริงๆบ่าพระพุทธเจ้าและพระมหากรัจป่าเนี่ยปริณีผ่านแล้วท่านไปชุมเพลิงที่ไหนไม่ได้ยินในตำรานะแต่ว่าคนโบราณเขาก็เลยบอกว่าะที่ช้างมันงวงเขามันมันเป็นตะปุมตะปอมนะมันติดพบติชาติมันเป็จะชาติฟังก่อนมันกอดเหล็กแดงเท่ากันนะ อันนี้พวกเราก็ฟังเอาไว้เออพราะตำรา ม, มันพูดได้หลายอย่างเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็หลวงพ่อพูดให้แจ้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังทตนี้พระศรีอาริยะเมตรัยเนี่ยตานเท่าไหร่จึงมาตรัสในโลกพระพุทธเจ้าท่านก็ได้พูดได้ตรัสเอาไว้เหมือนกันออบอกว่าศาสนาของเราเนี่ยจะยืนไปจะนานไปถึง 5,000 ันปี แต่ถ้าว่ายังมีผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะห0 0พันปีมากกว่านั้นแต่ถ้าว่ามีถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติเราวางศาสนาไว 5, ้ 5,000 ปีนี่แหละคือพุทธศาสนาจากนั้นถ้าเลยกว่านั้นไปคอว่ า, าอายุของฝนจะสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าทุกวันนี้อายุ75ปีเป็นอายุไข่ร้อยปีมารอบอายุคนจะ อ, อายุจะสั้นเข้าอีกร้อยปีมารอบอายุคนจะสั้นเข้าอีก ปีหนึ่ง น, ะนี่แหละจากนั้นคนก็จะมีใจร้อนคนอายุสั้นใจใจร้อนเห็นอะไรมีแต่โมโหโกธาฆ่ากันได้ง่ายนี่แหละในยุคนั้นจะเกิดมิขัดฉันดีในเมื่อเกิดมิคัดฉันดีคนฆ่ากันเ่ฆ่ากันเป็นบือเดือดพอตายเสร็จแล้วคนมันน้อยพอคนน้อยแล้วต่อคนมันน้อยรักกันเองพอรักกัน เห็นกันแล้วก็มีจะน้ำจิดน้ำใจต่อกันในเมื่อคนรักกันร้อยปีคนจะอายุยืนขึ้นหนึ่งปีร้อยปีมารอบคนจะอายุยืนขึ้นอีกหนึ่งปีจนถึงอายุคนในยุคสมัยนั้นร้อยปีพันปีหมื่นปีปีแสนปีล้านปีจนนับถ้าเป็นตัวเลขก็ว่าคิดเรื่องเครื่องคิดเลขกันมันสุดว่า ง, งั้นแต่ไม่รู้จะนับยังไงอันนี้เราว่ า, าสมไย เหตเมื่อสงไขถึงแล้วนับไม่ถ้วนแล้วคนเบื่อหน่ายในชีวิตของตนเองกันว้านะโอ้ทำไมมันไม่ตายง่ายวะดูทำไมอะไรมากมายนักหนาถึงขนาดนี้น่าเบื่อจริงๆมันไม่ตายง่ายนะผลที่สุดคนในยุคนั้นก็อายุสั้นลงมาถนะึงร้อยปีมารอบลงมาปีหนึ่งร้อยปีมารอบลงมาปีหนึ่งจนอายุถึงแปดหมื่นปีคนอายุแปดมื่นปีเป็นอายุไข พระศีราะจะลงมาตรัดจะลงมาตัดในในช่วงนั้นอายุแปดหมื่นปีพวกเราตัฒญายาโยมคิดดูที่ว่ามากขนาดไหนไกลขนาดไหนเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปคิดอยู่ไกลถึงขนาดนั้นเถอะเกิดมาพบนิชาตนี้ก็เต็มเกินอยู่แล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายจะต้องหาเลี้ยงชีพไม่รู้อะไรตรงไม่อะไรยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมด ผลที่สุดลางวัลของชีวิตของเราคือความตายเข้ามาถึงไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นไปได้เพราะนั้นพวกเราจะทำยังไงจึงจะทำตัวเองให้พ้นจากทุกในวัฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกทำยังไงนี่พวกเราต้องศึกษาแล้วทีนี้พอเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็าจะต้องเป็นเด็กแล้วก็เรียนหนังสือต่อมาก็เป็นหนุ่มเป็นสาว ม, มีครอบมีครัวจากนั่นก็มีลูกมีเต้ามีหน้าที่การงานจากนั้นก็เท่าเก่ฉลาจากนั้นก็ตายไปพอตายไปแล้วก็เกิดอีกมาชาติหน้าอีกก็เป็นอีกอย่างเก่าเพอเพอเกิดมาแล้วไม่เป็นอย่างเก่าอีกต่างหากถ้าเราทำกรมชั่ว เ, เที่ยวไม่มีศีลธรรมฆ่าสัตว์ชีวิตสัมมเลเทเม า, เาความชั่วทุกสิ่งทุกอย่างเราเมหาหมด เ, เกิด พอตายไปแล้วไปตกนรกบกใหม่จะตกนรกขึ้นมาแล้วมาเกิดเป็นสัตว์ทิฏฐิชานพอเกิดเป็นสัตว์ทิฏฐิชานแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนหูหนวกตาบอดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นก่อนที่จะมีเป็นคนดีคนดีมีหน้าที่ตำแหน่งที่ดีมีความรู้ความฉลาดนะเป็นผู้มีบุญมาเกิดแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีบุญมาเกิดและจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่าตายแล้วไม่สู่ตายแล้วเกิดอีก อย่างที่ได้พูดให้ฟังว่าภาษีอริยเมตตาตายเป็นยังไงอย่างเนี้ยตายแล้วไม่สูงเพราะพระทัเจ้าของเราท่านเป็นกษัตริย์อยู่ในเวียงวังอยู่ในกรงกรบินลพัฒในยุคสมัยนั้นท่านอายุยี่สิบเก้าปีท่านเห็นโทษในการครองพระวาดของท่านท่านเห็นโทษเรื่องอะไรท่านเห็นคนแก่ เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายท่านเมื่อเห็นคนตายแล้วท่านบอกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติของท่านล้วนแล้วแต่ตายล่นลงมาหาท่านเรื่อยๆต่อไปภายภาคหน้าท่านก็ขยับขึ้นเป็นคนแก่ผลที่สุดก็ถึงจุดจบของเหมือนกับปู่ย่าตายายของท่านแล้วอันไหนคือความสุขของมนุษย์นี่แหละ จะทำยังไงจึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีหนทางใหม่เนี่ยพราะพวอที่เจ้าท่านเนี่ยผู้ที่ท่านมีปัญญาท่านต้องหาทางออกเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยแต่ก่อนเราเดินทำไมมันจะเร็วกว่านี้แตาวิ่งมันก็เหนื่อยจะหาเครื่องอะไรทุ่นแรงเราหาจักรยานหามอเตอร์ไซค์หารถยนต์เพอพือเอยังเครื่องบินอีกต่างหากเพราะเหตุใด ก็รตรงคิดหาวิธีว่าจะทำยังไงจึงจะมีความสุขไม่ทุกข์มากนี่แ่ะเพราะพุทธเจ้าท่านก็จะทำยังไงจึงจะไม่เวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอีกมีหนทางไหมท่านก็มาคิดมาพิจารณาดูถ้าว่าท่านอยู่ในเวียงวังทำราชการงานเมืองบริหารจัดการประเทศชาติของท่านอยู่ท่านคงไม่มีเวลาที่จะมาค้นคิดในจุดนี้ได้ วันนั้นท่านไปเห็นสมณะนั่งอยู่ที่โคลนต้นไม้ตามลําพังสัมมณะคือนักบวชนั่งอยู่โคลนต้นไม้ท่านบอกเอออันนี้จะเป็นขนทางเป็นทางค้นคิดเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรถ้าเราทําอย่างนี้อย่างพระองค์เนี้ยเราคงจะหาช่องทางได้ถ้าเราอยู่ในเวียงวังคงไม่มีคงไม่มีเวลาที่จะต้องคิดเรื่องละเอียดอ่อนอย่างนี้ได้ จากนั้นท่านจึงได้หนีจากเวียงวังในเวลากลางคืนพร้อมกับนายฉันนะแม้าขันเต ก, ก ะ, ะหนีกลางคืนไม่บอกใครถ้าคืนบอกใครเนี่ยเขาก็คงจะงวิ่งล้อมรอบกัดถนนผลทางไปหมดคงจะไม่ให้ออกเพราะว่าสิท ธ, ธิธรรเป็นหัวใจของกรุงกบินลพัฒน์พระบิดาขอ้อมีลูกชายคนเดียวมอบความไว้วางใจและพระองค์ก็เป็นผู้รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ในการทํานายทายทักกว่าต่อไปภายภาคหน้าทักครองราชจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิท่าหนีออกไปบวชจะได้เป็นพระพุทธทเจ้าองค์หนึ่ง เ, เป็นต้นศาสดาเป็นต้นพระศาสนา เ, เลิศ ก, กว่าศาสนาทั้งหลายในโลกเนี่ยแต่พ่อดุืพบิดาของพระพุทธทเจ้าท่านไม่ท่านไม่เห็นว่าศาสนานะี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรท่านเห็นแต่พระเจ้าจากักรพรรดิ โด่งดังนั้นท่านรู้ท่านเห็นนี่เป็นพระเจ้าเป็นดินโด่งดังท่านเคยเห็นได้ศึกษามาแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยต้นศาสนาต้นศ า, านสานานี่ยท่านไม่อยากจะให้เป็นแตท่านจะจะให้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเพราะนั้นท่านจึงกีดกันทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้างวารู้ว่าพระพุทธเจ้าจะหนีออกบวชนะไม่รู้ว่าใครต่อใครจะมากีดกันพระพุทธเจ้าศิทธถะในยุคสมัยนั้นแต่นี้ท่านหนีออกกลางคืน ไปอยูอ่วิ่งไปขี่ม้าไปจนถึงแม่น้าอโนมาณที่จากัานท่านก็ได้บวดได้ทรงผนวดอยู่ในฝั่งแม่น้ำจากนั้นท่านก็อบอกม้ากับเครื่องทรงต่างๆให้แกนายฉันนะกลับมาเวียงวังแต่พอมาถึงหน่อยหนึ่งม้าขันตะการก็ได้ตายอกแตกกายหรือหัวใจวายตาย พอคิดถึงพระพุทธเจ้าแต่นายชนะท่านก็คงได้หอ่อเครื่องของแล้วก็คงจะเดินทางมาคนเดียวก็มั้งนะสมัยนั้นจากนั้นพระองค์ก็อยู่ตามลำพังอยู่ในป่าค้นคิดศึกษาลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดเหมือนกับเขาค้นหาวิทธยาศาสตร์อย่างพวกวันเนี้ยก่อนที่เขาจะค้นเรื่องของยาเขาก็ต้องคิดเรื่องค้นวิทยาเคมีตัวไหนตัวไหนตัวไหน ถ้าเขาค้นคิดเรื่องอการเครื่องย น, นกลไกตัวไหนเขาก็ต้องคิดอันนี้พระพุทธองค์ค้นคนคิดเรื่องกิตวิญญาณ เ, เรื่องใจของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรทำไมจะมาเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดมาเกิดอะไรมาเกิดตายไปแล้วมันไปที่ไหนวงคนก็ว่าตายแล้วมันศูนย์ เอาใส่หม้อเข้าไปปิดปากหม้อดีๆแล้วเอาไฟเผาต้มเข้าไปก็ไม่เห็นวิญญาณออกที่ไหนคนสมัยนั้นเขาก็สงสัยเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายในยุคสมัยนี้เหมือนกันแต่ในพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ศึกษาค้นคว้าอยู่เวลาถึงหปีวันที่ท่านได้จัดจรู้ธรรมคือวันวันที่สตรสาเร็จบังการอสุดสเร็จคือวันเดือนหกแผ่น ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันเดือนหกเพ็ิพราะพุทธเจ้าทําอย่างไรนี่แหละจุดนี้สาธาริกนชนพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายควรจะศึกษาในจุดนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั้นท่านทําอย่างไรในวันนั้นแอบวันนั้นวันเดือนหกเพ็ิท่านนั่งอยู่ตามลําพังนายโสธริยนายาคาผ่านมาแล้วก็มอบยาคาให้แปดกำมือให้แก่สิท ธ, ธัตถะ ชิตาถาก็ได้ยาคาแปดกำมือกมาเกลี่ยลงที่โคลนต้นโพจากนั้นพอเกลี่ยเสร็จแล้วพระองค์ก็ขึ้นไปนั่งเหมือนกับ น, นั่งอาชนะเหมือนกับยาคาที่มันนุ่ ม, มนั่นแต่ขึ้นไปนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้าคือสติสัมปะชัญญะ กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนี่แหละกรรมาฐานของพระพุทธเจ้าพวกเราอย่าไปสงสัยว่ากรรมาฐานทํำยังไงให้พวกเราฝึกขัดอย่างนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ทำนะวันนั้นนะเนพระพุทธเจ้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้ามีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกเมื่อพระองค์กําหนดลมหายใจเข้าออกปฐมมายาคือ ยาบแรกตอนหวัวค่าฮะพระองค์ได้จิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจิตรวมลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดยาณทัตน ะ, ะนะเกิดฌานขึ้นมาพอเกิดฌานขึ้นมาแล้ว่าปุบเพนนวาสานสุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้นี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาพวกเราท่านทั้งหลายศรัทธา ญ, ญาติโยมทุกท่านให้ศึกษา ให้ฟังเอาไว้ว่าเพราะพระ大爷เจ้าบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกถ้าตายแล้วสูญแล้วท่านจะระลึกชาติทวนหลังได้อย่างไรที่ท่านระลึกชาติทวนหลังได้เพราะว่าตายแล้วไม่สูญเพราะนั้นหลักของพระาศาสนาท่านยืนยันแล้วยืนยันอีกถ้าวา่าใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วน่าจะตามสนองถ้าใครทํากรรมดีสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลจะตามสนองเพราะตายแล้วไม่สูญนี่แหละท่านนั่งภาวนาเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอยากจะรู้ ว่าตายแล้วเกิดได้ตายและศูญย์วิธีการทำอย่างไรนี่ให้ฟังฟังเอาไว้ที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังท่านนั่งขัดสมาธิอยู่ตามลำพังอยู่ในที่สงบไม่ให้มีเสียงวุ่นวายให้มีสติสัมปชัญญะให้มีให้กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเมื่อจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบเกิดญาณทัศน์ยางที่วานนี่แหละระลึกชาติผลหลังได้ชาติมือแล้วเป็นยังไง อย่างพวกเรานั่งอยู่เมื่อกี้เนี่ยเรามาจากไหนแล้วมาจากไหนมาที่นี่แล้วก็ย้อนไปอีกว่าออกจากนั้นเรามาจากไหนเมื่อวานเราอยู่ที่ไหนวันก่อนเราอยู่ที่ไหนอธิษก่อนเราอยู่ที่ไหนเดือนก่อนเราอยู่ที่ไหนปีก่อนเราอยู่ที่ไหนกี่ปีเราเกิดมานี่เอแต่ว่าโดยมากมันลืมสิ่งไหนที่เป็นเรื่องใหญ่ๆที่มันกระเทือนใจจริงๆเราจึงจาได้ แต่เถื่อเรื่องธรรมดาธรรมดามกิบจ่จอยโดยมากมันก็ลืมลืมลืมไปเ ห, เหมือนกับเรื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยไม่จําเป็นมกราล้า ง, า ง, า ง, างออกเพางั้นทางว่าอัดไว้อัดไว้ไว้ทุกสิ่งทุกอย่างคงคอมพิวเตอร์ก็คงจะเออเลอะเพรางั้นแต่เนีมันเต็มเนีเพราะนั้นท่านคงคงล้างออกครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่ยอดีตชาติของเราเป็นยังไงเพราะพระองค์มีญาณทัศนละละเอียดกว่านั้นอีกคิดถึงข้ามพบข้ามชาติอีกถึงชาติที่แล้วเป็นอะไร ชาติก่อนเป็นไงและลึกชาติผลหลังได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชาติเพราะจิตของพระองค์มีความรูมิเพราะยานญาณทัศนชของพระองค์ละเอียดมากอย่างเหมือนกับเครื่องมือเค ร, ements, เรเื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือของเราเนี่ยเครื่องมือหยาบมันก็ฟังได้ระดับหนึ่งอย่างวิทยุของเราเนี่ยถ้าว่าคนทําสมัครเล่นทำเนี่ยฟังได้รอบๆข้างของเราใกล้ๆแต่เครื่องมือเขาดีๆเนี่ยเขาจะฟังข้ามประเทศ อ, อถ้าว่าเครื่องมือดีจริง ๆ, ๆเขาจะฟังได้ทุกหัวไหลแหงของโลกเพราะเครื่องมือเขาดีนี่ก็เหมือนกันเครื่องมือของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องมือระดับโลกสยามภูรู้แจงโลกท่านมีญาณรัสนะท่านรู้ได้หมดเพราะนั้นท่านจึงล ะ, ละลึกชาติผลหลังได้เยาวุฒิเพณิวารสาุสติญาตุตูตปะปาต ย, ยานพอถึงเที่ยงคืน ท่านไดยาณทัชนะอ่านึ่งขึ้นมาคือท่านกําหนดดูอีกว่าสัตว์ตัวนี้คนคนนี้มาจากไหนแล้วมาเกิดมาเกิดแล้วมันจะไปทางไหนต่ออีกเพรพระพุทธองค์ก็มองไปอีกหลายพบหลายชาติแต่อย่างที่พระพุทธเจ้าของเราในสมัยก่อนท่านเป็นจุมเทธาดาบทอย่างเนี้อพระเจ้าพระพุทธเจ้าชีปังกรเห็นมันเนี่ย สมเมทาดาบุตเนี่ยนะต่อไปภายภ า, ยภาคหน้าเเท่านั้นกลับจะได้เป็นพระไตรเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตชื่อพระโคตมะอย่างเี้ยท่านไม่ใช่ว่าทำนายวันปีหน้าเดือนหน้าปีหน้าชาติหน้าเร็วๆนะข้ามพบข้ามชาติเป็นหมื่นเป็นแสนไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติเพราะพระไตรเจ้าท่านมองเห็นหมดเพราะเครื่องมือของท่านดีอันนั้นว่าจุปูปะปะ่าตยานการตริติของสรพสัต แล้วการมาเกิดที่นี่เขามาเกิดด้วยบุญอะไรด้วยบาปอะไรมาทามันเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะพุทธองค์ก็รู้อีกพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็รู้อีกเออเขาทํากรรมชั่วนะเขาจะมาเกิดจีนี้กรรมชั่วเขาทาอะไรเนี่ยเขาอาจจะเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาก่อนกรรมชั่วแต่นั้นเขามาให้ผลขณะนี้แต่เขามีความสุขในขณะนี้เพราะอะไรแต่แต่มาขณะนี้เขาทํากรรมชั่วนะแต่ว่าเขารวยเอารวยเอาเพราะอะไร ท่านก็จะมองดูเออชาติที่แล้วเนี่ยเขาได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าได้ทาบุญกับพระพุทธเจ้อาอันที่สงของเขาเกื้อกูลหนุนอยู่แต่เอาเถอะในเมื่อเขาไม่ตั้งอยู่ในเมือเอม่อเขาตั้งอยู่ในความประมาทเขาไม่สั่งสมบุญบุญกุศลอันนั้นก็หมดไปเหมือนกัน เ, เหมือนเขาเราทำไรทำนาเอาข้าวใสยุ่งใสสางมีแต่กินกินกินแล้วไม่ทำต่ออีก ข้าวนั้นก็หมดยุงหมดสางเหมือนกันนี้ก็เหมือนกันบุญกุศลที่พวกเราได้ทำมาแล้วไม่ทําต่อมันก็หมดเป็นเหมือนกันบาปอกุศลก็เหมือนกันถ้าว่าเกิดมาพบนิชาตินี้ติดทุกติดตารางใช่ไหมแล้วก็มีโอกาสที่จะพ้นพ้นทุกข์พ้นตารางได้กรรมชั่วก็เล่กลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านว่าอาตตังดุกตังไสอยู่ปัจฉาตปติดุกตัง กรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านติดตามให้ผลเราเมื่อภายหลังเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนสารุศสิทธิ์พุทธบริษัทของโภคนี่หละจุตูปปาตยานการกุตติของสัตว์พอจวนสว่างพระพตองค์ก็เลยพิจารณาว่าใจตรงนี้มาจากไหนทำไมจึงมาวงพวกคนเวียนเวียนไหวตายเกิดในวัตฏะสงสาร ไม่มีที่สิ่งสุดอย่างนี้มาจากไหนพระพุทธองค์ก็กําหนดเออเรียกว่าปฏิจจะสมุบาติอวิชชาปฏิยาสั่งข่าราสั่งข่าราปฏิยาวิญญาณนะวิญญาณปัจิยานามารูปังนามารูปัจจียารัลายตตนะนาัสสะเวทนาออพัสสะเวทนาตันหาอุปาทานภพชาติชราบรณารณะโศกผลิตโยทุกโทรบรรณสุขมันเรียงมาเป็นลําดับกันล่ะ มาจากไหนมาจากตัววิชาคือตัวไม่รู้พอไปถึงจุดนั้นไม่รู้จะไปที่ไหนอีกเพราะตัวโง่ไปถึงตัวโง่ได้จบก็งั้นแบบในพระพุทธเจ้าวันใจมันมาจากตัวโง่คือตัวไม่รู้ใจตรงนี้มาจากนั้นแต่บัดนี้พระพุทธองค์ได้ใช้ตธรรมคือศีลสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปวาจากัมมันตรัยชีววัยโมจติสมาธิมรรคแปดนี่แหละเป็นเครื่องชัก ฟอกเป็นเครื่องสะล้างเป็นเครื่องทําความเข้าใจซักฟอกใจดวงนี้ด้วยธรรมคือสินสมาธิปัญญาเมื่อศินสมาธิปัญญาได้ซักฟอกแล้วพระพุทธอง์ก็ได้ตัดจรูุธรรมในวันเดือน6เพ็ญอาสาวกท ย, ยานเมื่อท่านได้ตัดจรูแล้วว่าอาสาวกท ย, ยานยานอย่างรู้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจะไม่เกิดอีกแล้วสิ่งที่จะทําให้เกิดนั้นเราชําระออกไปหมดแล้ว บัดนี้ใจของเราเป็นใจบริสุทธิ์แล้วนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังศูญย์อย่างนิพพานศูนยศูนอะไรศูนเชื้อที่จะให้เกิดนั้นกําจัดออกแล้วไม่ให้มันเกิดอีกแล้วเชื้อที่จะทําให้เกิดตัววิชาคือกิเลสราคะโกสะโมหนะนั้นกำจัดออกแล้วนี่แหละหละักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีที่สิ้นสุด ถ้าพวกเราได้ศึกษาและนําไปมาประพฤติปฏิบัติเพราะวิชาในโลกนี้มีมากมายแต่วิชาพุทธศาสนานเป็นวิชาเรื่องจิตวิญญาณวิญญาณเกิดมาจากไหนตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญแต่วิชาทางโลกหลายๆอย่างวิชากฎหมายวิชาการแพทย์วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มากมายอันนั้นคือวิชาเหมือนกันแต่วิชาของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือวิชา จิตวิญญาณเรื่องศึกษาเรื่อง จ, จ, จ, จิตวิญ ญ, ญาณเรื่องวิถีทางจิตจิตนลือกเช็คเรื่องอะไรจิตทําไมจึงมาเกิดในวัฏสงสารแล้วจะไปยังไงนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ศึกษาเพราะนั้นคณะสัทธ า, า, า ญ, ญาติโยมทุกทกท่กทกทานนะให้ศึกษาแต่ความมรสุทตุผ้นนั้นพระพุทธเจ้าได้นั่งดิโพ น, น, น, นต้นโปในืินตะจรูธรรมคําว่าตะจรูธรรมคํานี้เนะี่ย ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นเป็นรู ป, ปรธรรมนะให้เป็นรู ป, ปรธรรมเราเหมือนกับเราทำกะทิมะพร้าวกะทิมะพร้าวมีมะพร้าวมาแล้วก็เอากระต่ายขูดใช่ที่เราเห็นเห็นแต่ทุกวันนี้เ้าก็มีเครื่องเรื่องเครื่องขูดมะพร้าวมันก็มีเครื่องทำควายเครื่องขูดมะพร้าวอัตโนมัติของเขามีแต่สมัยก่อนใช้กระต่ายขูดพอขูดกระเพ้าเป็นขุยออกมาแล้วเขาคั้นกะทิมะพร้าว พอคั้นเสร็จแล้วเถนี่เขาก็รองอกรองด้วยตะไคร่ห่างๆน้ํากะทิมะพร้าวมันก็ขุ่นออกมาคั้นให้ละเอียดแล้วจากนั้นเขาก็ไปใส่หม้อกระทะในหม้อกระทะก็ตั้งไฟขึ้นมาต้มเคี่ยวอพอเคี่ยวขึ้นมาแล้วทถนี้น้ํามันมะพร้าวน้ำลอยขึ้นมาน้ําลอยลอยออกมาจากน้ํากะทิมะพร้าวขุ่นๆนั่นแหะ เป็นน้ำบริสุทธิ์เป็นน้ำมันใสบริสุทธิ์ในเมื่อน้ำมันอันใสบริสุทธิ์ของน้ำมันมะพร้าวนั้นจะนำน้ำมันมะพร้าวนั้นมาขย้ำกับขุยมะพร้าวให้มันเข้ากันอีมันเข้ากันไม่ได้นะเพราะมันเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วเป็นอีกนิติหนึ่งแล้วเป็นอีกเครื่องหนึ่งแล้วแต่มันออกจากน้ำมันมะพร้าวใจของพระอรหันต์ก็เหมือนกันใจพระอรหันต์ออกมาจากความโง่นะเมื่อท่านรู้แล้วท่านก็ฉลาดเมื่อท่านฉลาดแล้วก็ ตัตทิเลราธาโทสะโมหะเป็นจิตใจอันบริสุทธิ์เหมือนกับน้ำหวานมะพร้าวอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อออกบริสุทธิ์แล้วจะนําใจพระรหันที่หมดกิเลสแล้วมาขยรจให้เป็นปุตุชนอีกเป็นไปไม่ได้เพราะมันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ออกมาจากความไม่บริสุทธิ์พูดอย่างกันได้เพราะฉะนั้นพวกเราถ้าจะว่าไปแล้วธรรมะทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เหมือนจะสลับซับซ้อนแต่พวกเราได้ยินได้ศึกษาเข้าไปแล้วเราก็คงจะเข้าใจเหมือนกับวิชาอื่นๆของเขาดังคนเราไม่ใช่ว่าเก่งทุกอย่างไม่ใช่นะคนนั้นใครก็ตามเนค่านี่เป็นด็อกเตอร์ทางไหนทางวิทยาศาสตร์หรือทางเคนิตศาสตร์คือทางไหนแต่เก่งแต่ทางนั้นทางเดียวแต่ทางอื่นไม่เก่งอย่างหลวงพ่อเนี่ยเปรียบเทียบ ว, ว่าหมอเนี่ยเหมือนกันหมอตาไม่เก่งหมอหูหมอหูไม่เก่งหมอจมูก หมอจ ม, ม, ก ม, กมูกไม่เกิงหมอกรดูหมอกระูกไม่เก่งหมอผิวหนังมีตั้งเยอะแยะในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นวิชาทางโลกวิชาในโลกมีมากมายแต่พระพุทธเจ้าท่านเรียนให้ศึกษาเรื่องจิตวิญญาณว่าวิญญาณให้เกิดมาจากไหนแล้วจะเป็นไปอย่างไรท่านบอกกรรมมุนีนาวัตตีโลโคสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทําไว้เพราะฉะนั้น พระนัตท า, าญาโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังทำคาสอนคำนี้ไม่ใช่ทาคาสั่งสอนของอาตมาภาพนะไม่ใช่ทาคาสั่งสอนของหลวงพ่อหลวงพ่อได้นำทาคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่มาขยายผลให้แก่พวกเราได้ยินได้ฟังเพราะนั้นวันนี้พวกเราได้มาทาบุญลํำลึกถึงองค์หลวงปู่ของเรา หลวงพ่อได้ยกบาลีเบื้องต้นว่าอัจเชวะอิะมาตัปังโกชัญญามรณาชุเวนะัฮิโนโสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาความดีควรจะทำตั้งแต่บัดนี้ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ถอนปลน ต่อมัจจุราชผู้ที่มาลุกรานเราเพราะนั้นวันพรุ่งนี้มาเร็ น, นี้เราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้กี่เดือนกี่ปีกี่วันกี่นาทีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกไม่ตั้งอยู่ในความพระมาให้สังสมคุณงามความดีตั้งแต่บัดนี้ขณะนี้เมื่อรู้แล้วว่าคุณงามความดีควรจะทำอย่างไรมีมากมายให้ทานรักษาศินภาวนา ให้ทานก็นคือพวกเราเกิดมาอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละให้ทานให้ทานมีมากมายหลายอย่างหลายๆอย่างดังเท่าให้ทานข้าวน้าโภชนาอาหารอันนี้แต่ว่าอารมิตรทานให้เงินคําทรัพย์สมบัติเรียว่าอารมิตรทานให้ธรรมทานก็นอย่างหลวงพ่อกําลังแสดงธรรมอยู่ในขณะนี้ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาและก็วิทยาทานก็แนะนําสั่งสอนคนที่ไม่รู้ จิชาอาชีพอย่างไรแนะนําสั่งสอนเขาอนามบิทยาทานเพราะฉะนั้นการทานมีหลายอย่างให้อภัยทานก็จะกัรว่าทานอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นทานเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันถ้าพวกเราไม่มีการเสียสละไม่มีน้ําใจต่อกันแล้วโลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบสุขไม่ได้ศีลก็เหมือนกันศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่ให้มีโทษศีลไหนที่มันจะมีโทษไปฆ่าไป ไปโกงไปพ้นไปจี้คนอื่นเขาเอออันนั้นก็หาความสงบร่อบเย็นเป็นสุขไม่ได้ในชุมชนอย่างที่อัตมาภาพไปอธิบายศินห้าให้แก่พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ศึกษานั่นแหละเอออันนั้นคือสินส่วนสมาธิคื อ, ค, อคือแนวความคิดที่พระพุทธเจ้าไปนั่งหยุดโค้นต้นโพลเออนั่งสมาธิจากนั้นจิตใจของจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งอันนี้เรื่องสมาธิปัญญาแหละคือเออนี่แหละ หลักของพุทธศาสนาคือสินสมาธิปัญญาทานศินภาวนานี่ยแหละทานศินแล้วก็ภาวนาเพราะฉนั้นพวกเราเอาทั้งสามอย่างไม่ควรจะทานอย่างเดียวควรจะมีศินด้วยแล้วก็ควรจะมีภา ว, ว, วนาด้วยทันี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าให้ทานร้อยครั้งสู้รักษาศินบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาศินบริสุทธิ์ร้อยครั้ง สู้นั่งภาวนาจิตสงบครั้งหนึ่งไม่ได้เพราะนั้นพวกเราไม่เอาเหรอควรเราควรจะฝึกนะฝึกหัดเรื่องนั่งสมาธิไม่ยากพวกเรานั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงและกับบริกรรมพุทโธพุทโธแต่นั่นนี่คือภาวนาถ้าเราไม่นั่งอย่างนั้นเรานั่งเก้าอีก้ก็ได้เอ่ห้างค่ำคืนแต่ว่าก่อนที่จะนั่งะควรจะปิดโทรศัพท์ไว้ก่อนปิดซิทเทยุปิดโทรทัศน์ ให้อยู่ในความสงบขนาดโทรศัพท์นี่ก็ปิดไจก่อนอถ้ามาันมันจะกวนเราถ้าเรามีเสียงขึ้นมาแล้วเสียสมาธิเพราะฉนั้นเราปิดไว้ก่อนถ้าพวกเราฝึกหัดทําอย่างนั้นเราจะทําจากวันหนึ่งสักสามสิบนาทีก็ได้ยี่สิบนาทีก็ได้สิบนาทีก็ได้เราทํ า, าอย่างอื่นเรายังทําได้เราฝึกหัดทางด้านจิตใจทําจิตใจให้เป็นสมาธิเพียงสิบนาทีไม่ได้เลย นี่แหละถ้าเราว่าพวกเราฝึกขัดอย่างนี้น ะ, นะทุกวี่ทุกวันใจของเราก็จะมั่นคงจิตใจของเราไม่วั่นวายใจของเราจะไม่ว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมเมื่อเท่าแก่ชราเราจะรู้เท่ารู้ทันรู้เรื่อง ร, ร, รู้ราวของชีวิตของพวกเราเพราะหลักของพุทธศาสนาท่านสอนเรื่องชีวิตนะเรื่องการเป็นอยู่อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าหลวงปู่เหลียนท่านบอกว่าท่านพ้นหาสาระของชีวิต ค้นหาด้วยซ้ว่าสาระของชีวิตนั้นคืออะไรถ้าค้นไปค้นมาพวกเราค้นหามีแต่แก่มีแต่เจ็บมีแต่ ต, ตายแล้วอะไรคือได้พอตายแล้วเอาเผาไฟทิ้งก็ได้อะไรนะถ้าว่าเราไม่มีคุณงามความดีเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้เราไม่ได้อะไรถ้าเราสั่งสมคุณงามความดีบุญกุศล น, นั่นแหละจะติดตามดวงวิญญาณของผู้นั้นไปสู่ปรโลกภายภาคหน้านี่แหละอันนั้นแหละคือ ชีวิตที่มีคุณค่าถ้าว่านอกจากนั้นแล้วถ้าว่าไม่ทําคุณงามความดีแล้วชีวิตไร้คุณค่าชีวิตไร้ประโยชน์นะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกๆท่านแล้วขอพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทันตด า, ดานิภิกขเว อ, อามันาณนะอานัตตายาวิโวมินิโววายะธรรมมาสร้างข้ารา ประมาเดนะสัมปาเดท่าติ um สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงพราะกุเจ้าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงขอให้พวกท่านทั้งหลายอ ย, อย่าตั้งอยู่ในความประมาททิกสุขทั้งหลายบัดนี้เราขอบอกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา พวกเธอทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอันนี้คือเป็นวาจาที่พระพุทธเจ้าก่อนที่จะปริทธิพานในระหว่างต้นรังทั้งคู่ที่เมืองกุศินาราพระพุทธเจ้าเตือนภิกษุทั้งหลายว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเน้อจงยั่งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนี่แหละประโยชน์ตนคืออะไรการสร้างคุณงามความดีการประพฤติปฏิบัติธรรม ขออย่าตั้งอยู่ในความประมาทในเมื่อตัวเองไม่ตั้งอยู่ในความประมาทแล้วควรจะช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างไรได้บ้างพอที่จะช่วยเหลือชุมชนอะไรได้บ้างอันนี้เราก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมถ้าเมื่อเราช่วยทั้งตัวเองตัวเองก็ไม่ขาดตกบกพร่องมีอยู่มีกินมีคุณธรรมในจิตใจจากนั้นก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมถ้าว่าพวกเราทาอย่างนี้ ทุกท่านอันนี้แปลว่าเราปฏิบัติตามธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกศิษย์ที่แท้จริงเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่เอารัดเอาเปรียบมีแต่คตตะกองมีแต่พ่นตะก้เห็น ม, มนุษย์ด้วยกันแล้วก็มีแต่จะเอารัดเอาเปรียบเผ่าอันนั้นแปลว่าไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเพราะฉนั้นขอพวกเราพุทธศาสนิกชนทุกๆท่านที่ได้ ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อได้นำพระธรรมคำสังสอนมาบอกกล่าวมาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาคิดว่าการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงและด้วยบุญบา ร, รมีของหลวงปู่เรา แต่หลวงพ่อเองเขามั่นใจว่าหลวงปู่ของเราเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ท่านหนึ่งเพราะทราบว่าอัติธาตของท่านได้เป็นพระทานให้แก่พวกเราได้เห็นและก็ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยบุญพลมีของหลวงปู่คุ้มครองพวกเราขอให้พวกเรามีแต่ความสุขความสบายใจล่ำรวยโชคดีปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรม ขอขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทิน